วันนี้ก็พูดให้มันเข้าใจคือฟังเลต้องเข้าใจพูดให้เข้าใจฟังให้เข้าใจคนที่พูดให้เข้าใจคนที่ฟังไม่เข้าใจก็ได้ผลน้อยหรือมันไม่ได้ผลเลยอย่างที่คนไทยเราถือศาสน า, าพุทธมานี่หลายร้อยปีแล้วการกระทานั้นบางคนก็โดยมันยังมีผมทุกอยู่มาก ศาสนาพุทธในใครเข้าใจแล้วไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เท่านนแต่คนนั้นฟังไม่เข้าใจจริงๆเคเมื่อไม่เข้าใจแล้วไปปฏิบัติมันผิดไปในประเทศอินเดียมีหลายละทิหลายได้กายครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีร้อยแปดละทิร้อยแปดอาจารย์ร้อยแปดศาสนา กตสอนไม่เหมือนกันเมืองไทยเราก็เช่นเดียวกันมีครูบาอาจารย์หลายคนสอนกับมาทานสอนยุบป้นสอนให้ทานสอนนักษาธิ้งไม่เหมือนกันเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราเรามันเป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์ถ้าเป็นคนต้องรู้จักเลือกคัดจัดหาเอาได้ไดี ว, ว่าคน ถ้าหากว่ายังไม่ใช่คนเลือกไม่ได้แต่าเกิดมาแล้วก็แค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนแต่ใจยังไม่ใช่คนเพราะมันเลือกยังไม่ได้เลือกคัดจัดหาออยังไม่เป็นจะเป็นคนได้ทำไมของมันผสมกันอยู่มากบัดนี้คนต้องเป็นเลือกเขาได้เป็นสิ้นเป็นอันอันนี้วางว่าอย่างนั้นอันนี้วางว่าอย่างนั้นเียว่าคนถ้าหากเรายังไปเลือกคัดจัดหาอย่างนั้นไม่เลยไม่ใช่คน พูดให้ฟังวจริงเป็นยางไงหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นทีแรกหลวงพ่อไม่รู้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยต้องมีวัดมีพระพุทธรูปมีพระสงฆ์ได้ไปให้ทานนักศึกษาศีล่าตัวเองได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงอันนี้มันเป็นศีลธรรมมันเป็นศีลธรรมมันเป็นวัตถุต่วโลกีธรรม โลกอุตละธรรมยังพอไม่รู้แต่ก่อนแล้วก็นรกสวรรค์ไม่รู้นรกนึกว่ามันอยู่ใต้ดินสวรรค์นึกว่าอยู่บนฟ้าคนเข้าใจอย่างอันนั้นไม่ใช่คนนั่นนแต่คนจะยังเลือกไม่ได้ไม่ใช่คนแม้จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังเลือกไม่ได้ก็ยังไม่ใช่คนมันไม่มีความละอายในใจมันจะเป็นคนได้ทำไมคนมันต้องมีความละอายในใจแล้วลคน คนจึงมีความละอายในใจคืนละอายต่อสิ่งที่ไม่สมควรเรีกวคนเน่ยถ้าหากยังไม่มีความละอายไม่ใส่คนแต่แข้งขาหน้าตาเ ห, าาหามื่อเท้าเป็นคนเนี่ยเขา้าใจนาเัีวนรกสวรรค์นรกคือความทุกข์นั่นเองคนใดมีทุกข์เป็นคนอยู่เนี่ยไม่ใช่คนมันจัดนรกเข้าใจไปใกล้ๆที่เราพู้ในขณะที่เราไม่มีทุกข์เราได้ขึ้นสวรรค์นั้น แต่ยังไม่ใช่คนนะเพราะเรายังไม่รู้สวรรค์นะไม่ใช่คนยังเป็นสัตว์อีกคำว่าคนเนี่ยต้องมีดจะโอนนี่เป็นสวรรค์นี่เป็นนรกเรารีดนั่นลกได้จะต้องการสวรรค์แล้วเราต้อไปอยู่บนสวรรค์แแต่ยังไม่ได้เป็นโลกุตระธรรมเขาบอกสวรรค์เป็นโลกินยธรรมแต่คนอยู่ได้แต่คนรู้จักว่าเป็นไม่ใช่สัตว์แล้วนนี่เป็นคนแล้วนี่เพียเดียวนี้คนไทยไปถือศาสนาไม่ค่อยเข้าใจไปอย่างนี้ หลวงพ่อเองเขาไม่เข้าใจแต่ผมเลยเข้าใจยอมีจะเอาบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนใครเอาให้ไม่ได้คนเรานี่มีบุญแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วนี่แต่เราทำไมจึงไม่รู้จักบบุญเมื่อไม่รู้บุญจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้จักนรกจะเลีกนรกไปได้อย่างไม่ได้เป็นเมื่อเราไม่รู้สัตว์จะเลีกสัตว์ได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่าสัตว์โดยสารอย่างสุนัขหมาเนี่ย หมาบ้านก็เรียกอย่างสุนัขแมววัวควายมันเป็นสัตว์ในรัศสานโดยเฉพาะ อ, อั น, นอันคนเนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนขันแต่จิตใจมันเป็นสัตว์จว่กคนใดมีตาทิพต้องเห็นอันนี้คนใดไม่มีตาทิพไม่เห็นตาทิพเปรียบตาปัญญาดังนั้นการทําบุญก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาจิตก็ดีทเพื่อให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาสอนให้คนกําลัง ทำควมผิดอยู่ให้เขาทําถูกต้องอสอนคนที่กําลั ง, งโง่นั่นเนี่ยอ่านว่าโง่อยากถูกเคียดเลคนดังโง่อยู่เนี่ยให้เขาสลาดขึ้นมาสอนคนที่ยังมีทุกข์นั่นเนี่ยให้ทุกข์นั่นหมดไปชั่ววันจึงจะเป็นคนได้ถ้าตัวเองยังโง่อยู่แล้วอวดว่าสลาดนั่นไม่ใช่คนเลยเขาอาวดดีคนอวดดีกับคนมีดีเอามาพูดมันไม่เหมือนกัน อวดดีเราเคยได้ยินมาอย่างยาอวดดีนั่นเคยพูดไหมเคยเคยได้ยินบ้างไหมเคยเคยได้ยินคนอวดดีนะอวดดีที่ไม่มีราคาเลยคนมีดีเอามาพูดท่านยังพูดอย่างไม่คนมีตาที่ย์ไม่ใช่ตาทิพย์นั่งอยู่ที่มองเห็นไกลๆไม่นอย่างตาทิพย์มองดูคนเอ่อลักษณะคนโกรธขึ้นมานะั้นร่างกายเป็นหัวใจเป็นสัตว์แล้วมองเห็นใจตัวเราแล้วกระจาคนนั่นคมเหมือนกัน <S <S โอ้พระพุทธเจ้าเนี่ย จัดทั้งหลายคือเราตถาคตจัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตจัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วเห็นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่เีลยสำคัญแต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ทำก็ไม่ถูกต้องที่ก็เดือดร้อนสีแล้วก็ไปหาเอาบุญได้บุญมันได้ทุกมา ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอย่างตัวเราดีวเนี่ยง ว, ว่าแต่ทําได้ทําบุญบุญนั้นมันเป็นโลกิญญธรรมไม่ใช่เป็นโลกุตตรธรรมให้เข้าใจอย่างโลกิยญธรรมกับโลกุตตรธรรมไม่เหมือนกันเราดีใจเรียกว่าเป็นบุญในขณะเราเสียใจขณะไหนเวลาใดเราตกนรกแล้วเนี่ยนรกกับสวรรค์เน่ยอยู่ด้วยกันมันเป็นสายเดียวกันนี่ยตัวไม่ใช่คนคนใดยังไปตกนรกอยู่ไม่ใช่คน คนใดยังมีความหนักใจทุกมากไม่ใช่คนแต่หน้าตาแช่งขาหมือเท่าเป็นคนในระยะนั้นนะ่ะเกิเป็นคนเป็นคนแต่เรายังไม่ใช่คนในขณะที่เราสบายเราไม่เคยรู้ว่าเราสบายสบายอะไรสบายจิตใจเป็นยังไงยังไม่เคยดูเลยตัวหลวงพว่อขาไม่เคยดูนึกว่าเราสบายแล้วเนี่ยนึกว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนเป็นหลักษณะจิตใจของเปง จิตใจลักสนานั้นเป็นหลักษณะเปรถ้าหากเรายังไม่เข้าใจเปรเราเป็นเปรตแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นเปรเราจะหนีจากเปรตได้ไหมหนีไม่ได้มนขณะเราโกรธเกลียดเราเป็นสัตวน์นรกเนี้ยเราจะหนีจากสัตว์นรกได้ไหมก็วันนี้ไม่โกรธพรุ่งนี้มันจะโกรธขึ้นมาวันนี้ไม่เกลียดพรุ่งนี้มันจะเกลียดขึ้นมาวันนี้ไม่เป็นพรุ่งนี้มันเป็นเราหนีไม่ได้จะเป็นคนไหมไม่ใช่คนก็เรายังอยู่กลุ่มเดียวกับวะสัตว์ น, นั้นเขาจะีสัตว์แต่ใครๆก็เป็นสัดได้เหมือนกันอันนี้ที่นํามาเล้วให้ฟังให้เข้าใจว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมหรือว่านรกสวรรค์ในขณะเรามีความทุกข์โกรธเคียดไม่สบายใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการขัดแย้งอยู่ในตัวเราเองคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีเนี่ยคนอื่นนั่นเราจะไปห้ามเขาได้ไหม่ ไ, มได้จะต้องหามตัวเราถ้าเราเป็นคน ถ้าเราไปห้ามคนอื่นไม่ใช่คนอยู่แล้วตึงตั์อยู่แล้วมันเป็นการขัดแย้งเราเราขัดแย้งเองนะเราทุกเนี่ยเขาไม่ได้ทุกกับเราเนี่ยสมมติเขาจะทําอย่างนั้นห้ามแล้วเขาไม่ฟังเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเมื่อเราไปห้ามเขาไป่ฟังเราทุกมันขัดแย้งตัวเราเขาไม่ทํากับตัวเราแล้วเราทุกเลยเราก็เป็นสัตว์นรกแล้วนี่ใกล้ที่หลวงพ่อพูดที่ความทุกเนี่ยพระพุทธสอนให้คนรู้จักทุกจริงๆเมื่อเราไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเราก็เป็นสวรวดา เป็นสวรรค์เป็นมันเป็นคนแต่ยังไม่ได้เห็นมนุษย์เป็นคนเลือกคัดจัตวาโอลักฬสนสมบัติของคนเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยบัดนี้ห้ามได้เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์และสวรรค์เป็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมันจะฟังนะฟังให้เป็นจำให้ได้จะต้องไปปฏิบัติเอาเองนะถ้าไม่ปฏิบัติเอาเองไม่ได้ ใครทําให้ไม่ได้บิดามารดาทําแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนบิดามารดาก็ไม่ได้สามีภรรยาทำแทนกันไม่ได้อย่างนี้เคยได้ยินนะพระพุทธเจ้าท่านสอนขาตโลตถาคตาถ้าตถาคตเป็นแต่เพียงคนแน่แนวเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอเธอปฏิบัติถูกท่องก่เสอได้รับผลเธอปฏิบัติผิดเธอก็ได้รับทุกเท่านั้นเอง ดังนั้นประเทศเอินเดียมีร้อยเปรตที่รอยเปรอาจารย์ร้อยเปรตใครชอบธรรมะใครก็ต้องไปเราเคยได้ยินว่าองค์ุริมันฆ่าคนก็อาจารย์หนึ่งเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตายในองคุริมันเนี่ยอาจารย์สอนะให้เข้าใจฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วไม่เสื้อถือก็ไม่ได้เราต้องใส่เหตุผลพุทธศาสนาสอนเหตุผลไม่ใช่สอนให้เสื้อทันที สอนเสื้อทันทีเขาว่างงนายไม่รู้สอนเสื้อทันทีคือใครองคุลิมาอาจารย์สอนเราเรามีคาถาอันดีที่สุดแต่ลูกศิษย์ลูกหาเรียนไม่ได้แต่เธอเป็นคนเรียนเก่งเรียนมากจากสอนให้แต่ว่าคนต้องใจถึงเขาจะฆ่าองคุลิมานแต่องคุลิมาไม่รู้แสดงว่าองคุลิมาเป็นคนจริงแต่เป็นคนขาดปัญญา ให้องค์ุริมาแต่ฆ่าคนถึงพันคนแล้วจะสอนคาถาให้คนจํานวนพันคนต้องฆ่าองค์ุริมาได้เขาคิดอย่างนั้นแค่คนมันไม่สลาดก็เลยไปฆ่าคนเองไปอย่างนันอันนี้แหละเราต้องใช้สติปัญญาการทำการพูดการคิดไม่ใด้ออกฟังแล้วเสื้อทันทีมันผิดไปฟังไม่เสื้อเลยแบบนี้ก็อุปกรารศีวกคนหนึ่งเแหวงพระพุทธเจ้า เมื่อไปเจอกับพระพุทธเจ้าลูกสมและการคมนาคมการไปการมาดูสวยสดงดงามถามพระพุทธเจ้าเธออยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของใครไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เราตัดสรู้เองโดยชอบ อุปการีิวคุณนั้นก็ไม่ฟังเสียงเลยไม่มีคนสอนจะรู้ไหมเนี่ยเข้าใจยังอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดเสื้อทันทีก็ไม่ได้ไม่เสื้อทันทีก็ไม่ได้ในประเทศอินเดียมีหลายละที่มีหลายอาจารย์มีละที่ไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าก็มีนอนเสี้ยนนอนน้ำก็มีกินน้ําห้อนนอนย่างไปก็มีเนี่ยกินข้าวเลียเอาเหมือนสุนัขนี่ก็มีครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟัง หลายละที่หลายลนิการเราชอบใครก็ต้องไปถุนคนนั้นที่ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้ห้ามคนนั่นคนนี้ใครชอบต้องไปมันจะขัดนโะยบายไม่ได้หลวงพ่อเคยพูดคนกําลังวิ่งมาเรายืนอยู่ที่เนี่ยยืนสู้ไม่ได้เราต้องเพื่องตัวให้เขาไปเขาจะไปแล้วถ้าเราไปยืนสู้มันก็ตำเราชนเราเราก็เสด็จหนีเราก็เกจ็บเราไม่ต้องไปสู้ไปทวนกระแสของลบปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้น พระพุจ้สอนพูดความจริงให้ฟังแ ล, ล้วไปเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังธรรมะวันนี้ก่อนน้อ ย, อยแต่พูดความจริงให้ฟังหลักษณะนาลกนั้นคือในหลักษณะจิตใจเราเดือดร้อนเราไม่ใช่คนแล้วนั่นแต่เราเป็นคนเรารีบรู้จักทันทีโอ้เดือดร้อนเนี่ยเป็นนรกทิ้งโอ้เที่ยวหลังโอ้เป็นอย่างนี้หลักษณะเราก็รู้จักว่าใจเรา ที่หลวงพอเคยพูดว่าให้ดูการเคลื่อนไหวของโลกกายภายนอกแล้วก็ดูจิตใจนึกคิดจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราไม่ทันมันก็เป็นอารมณ์เมื่อเป็นอารมณ์ทําไปตามใจคิดเมื่อทําไปตามใจคิดมันก็ตกต่ำใจใจมันใจมันไปข้างต่ําจึงว่าให้ดูใจเมื่อมันคิดขึ้นมาเห็นรู้เข้ามาทําลมขึ้นมันจะวางวางใจมันจะมาอยู่กับคนรู้สึกเมื่อมาอยู่กับคนรู้สึกแล้ปัญญาละมันทาบ คนจะล่วงทุกปัจจัยข้อปัญญาเนี่ยท่านวันนี้เมื่อปัญญาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่ผิดหลักชนะนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นเราก็รู้เที่ยวหลังมันเป็นหมาแล้วก็ตาดเหมืนอนไรได้จะเป็นมนุษย์มนุษย์จึงหักห้ามจิตใจได้ถ้าหากักถ้าเราหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ยังเป็นคนเรีรู้จักแล้วคนนะรู้จักว่าจะหนีที่แล้วแต่รรมนันหนีไม่ได้สมมุติเอาที่นี่เป็นป่าที่ที่วัดเรานี่เป็นป่ามีเสือ มีตะขาบมีแมงป่องมีงูมี μο, มสัตว์้ายอยู่ที่นี่นะเราจะอยู่ที่เนี่ยต้องหาวิธีกันถ้าเราไม่หาวิธีการเสือจะมากัดเรางูจะมากัดเราตะขาบแมงปองสัตว์ลายจะมากัดเราเราไปไม่พ้นเราต้องหาวิธีกันอันนี้เขาเรียกว่าโลกินธรมพราะเราหนีไม่ได้ถ้าเราหนีจากนี้ไปพ้นแล้วเขว่าโลกุจรธาธรรรัมเขาว่นานิพพานนิพพานเขาเรียกว่าโลกรรุจลธรธัม โลกิยธรรมเป็นวิสัยของคนผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ทิศทางออกนั่นเองไม่รู้ทางออกไปจากทุกกวคำโลกิยธรรมโลกุตระธรรมเราลูกจากทางออกจากนี่ไปเลยไม่ต้องเข้ามาที่นี่เราข้าไปอยู่ฝั่งของเมืองนั้นสัตว์ไร้มันตามเราไม่ได้เสือก็ตามไปไม่ได้ตะขาบแมงกองตามเราไม่เราก็มองดูสภาพสัตว์เหล่านั้นมันยุ่งกันอยู่ที่นี้ ภาพพิธีญาท่านสอนใกล้ๆแต่เรามันไม่เข้าใจลึกตื่นไปก็เลยไม่เข้าใจความหมายตายแล้วจึงจะเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพพานหลวงพ่อเข้าใจอย่างไงบัดนี้หลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือหลวงพ่อพูดแต่ความจริงมาที่นี่ก็ต้องพูดความจริงให้ฟังแต่คนไม่ไม่ยอมรับความจริงแต่คนทุกคนต้องการความจริงพูดความจริงให้ฟังไม่ยอมรับความจริงนั้นเป็นอยังไงดันงนั้นคนเราเนี่ยถือศาสนาพุทธทำไม เนื่อการกระทายังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไปติดลูกแบะไปติดภูติดอาจารย์ติดคนใดพูดเก่งคนใดมีความรู้คนนั้นเอารู้อย่างนั้นน่ะนับไม่เห็นไม่ายในท่องมหาสมุทรสะเลได้ทุกเม็ดพระพุทธเจ้าเขาว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรามาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มีการขัดแยง้งเกิดขึ้นภ า, ายในจิตใจตัวดีกว่ามีประโยชน์กว่าไม่ต้องเขียนหนังสือเป็นก็ได้ ไม่มีเงินก็ได้ไม่มีความรู้อะไรก็ได้แต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองให้ได้คนแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองไม่ได้แม้จะมีเงินจากผันลานก็ไม่มีประโยชน์อะไรดือดคนคนนั้นจะพ้นเข้าไปได้ไหมวันนี้เขามีเงินบังทีเขานอนอาจจะคิดก็ได้เนี่ยอาจจะเขามีความทุกข์ขึ้นมาเ ม, มาื่อใดปัญหานั่นก็ว่าแต่วันนี้เราไม่มีเงินแต่เราไม่ยอมให้ความทุกข์ประเภทนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรเราก็ หันหลังให้เนี่ยเราจะไปโลกอุตตรธรรมแต่ว่าโลกอุตตรธรรมคือนิพพานจริงไ ม, มรไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บและไม่มีการตายเพราะมันพ้นภัยไปแล้วทันวันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าโลกอุตตรธรรมคืออะไรอยู่ที่ไหนคนโบราณบ้านหลวงพ่อเคยสอนอสวสัรรค์อยู่ในอกนันรกอยู่ในใจพระนิพพานโกอยู่ที่ใจใจมันอยู่ที่ไหนเราเคยเห็นใจเราบ้างไหม ไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นเราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ใจเราคืออะไรไม่ใช่ใจมันคิดนะอันใจนันมันคิดนะเขาว่าเป็นอารมณ์เป็นใจคิดแตตัวใจจริงๆมันไม่ใช่อันนี้นดกว่าคนมันไม่เข้าใจคำพูดนะโยงทําุมความรู้สึกอันตัวความรู้สึกนี่คือใจความรู้สึกมันเตื้องตัวออกจากอะไรให้ความรู้สึกทำหน้าที่ของมัน ถ้าคมรู้สึกไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเราก็ไปคิดหักห้ามมัน ก, นไไกออไ็ไหลไปตามการะแสของอารมณ์เดียวไปไหลไปตามกระแสของความคิดเราจะรักษาศีลให้ฐานทํากรรมฐานจะเรียนวิปัสนาเท่าไหรก็ตามถ้าเรายังไม่มาแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเราแล้วไม่มีโอกาสไม่มีทางเลยข้อแรกที่สุดต้องรู้อันนี้กอนเราต้งรู้รู้ลลกนาม เมื่อรู้ลูกนามตอนเช้าตอนเย็นหลวงพรู้จิตใจหลวงพอคิดเมื่อรู้จิตใจดลพอคิดเรื่องความโกรธเนี่ยยอดโธสัโมหะโลวงลดน้อยไปทันทีเลยเพอาเห็นหักข้ามได้นึ่เราก็มีสติเข้าไปอยู่ในความรู้ตัวนี้มือนเข้าไปรู้อยู่นั่นแล้วเหมือนกับมีเก้าอี้ใบเดียวมีสองคนเข้าไปนั่งเราต้องพยายามนั่งเก้าอี้อยู่เสมออย่าให้คนอื่นเข้ามาแยงนั่งหราถ้าคนอื่นเข้ามาแยงเราเราก็เข้าไปไม่ได้ อันนี้ก็เช่นเดีวกความรู้สึกให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาให้มันเพลิน้อยอย่างเนี้ยเมื่อมันรู้อยู่ตลอดเวลาความคิดนั้นมันจะไม่ไหลไปเลยมันจะไม่เข้ามาความหลงผิดมันจะไม่เป็นอารมณ์มันคิดปุ๊บขึ้นมามันจะไม่มีอารมณ์อารมณ์นั้มันจะไหลไปเลยเนี่ยอารมณ์คนมันชอบอารมณ์เมื่อมันชอบอารมณ์ก็เลยไหลไปถึงหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจท่านว่า ที่หลวงพ่อนํามาพูดให้ฟังในตัวให้เราเข้าใจโลกิยธรรมเป็นวิสัยของโลกแม้จะมีเงินจากพันล้านก็ยังเป็นวิสัยของโลกแม้จะเรียนหนังสือจบประโยคเก้าก็ยังเป็นวิสัยของโลกแม้จะเรียนหนังสือจบปริยาเอกจากร้อยปริยาเอกก็เป็นวิสัยของโลกเพราะนี้จากโลกไม่ได้คำว่าโลกิยธรรมแจ้าขุมดีอันนี้ไม่ใช่ดีในโลกุตตรธรรม พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาดีในโลกุตรธรรมแต่ว่าเรายังอยู่ในโลกิยธรรมก็ได้แต่เราอย่ามาอาศัยโลกียธรรมเป็นพื้นฐานให้เราอาศัยโลกุตรธรรมเป็นพื้นฐานท่านว่าอย่างไรแต่เราอยู่ในโลกียธรรมพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทุกองมรทุกแล้วไม่ได้ตาย ท, าทันทีแต่เขายังอยู่โลกิยธรรมแต่เขาอยู่โลกุตตรธรรมเขาไม่มีทุกดังนั้นทุกคนทําได้เรื่องนี้จังหวะศึกษาตัวเอง แก้ไขตัวเองควบคุมตัวเองถ้าไม่ศึกษาตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่ควบคุมตัวเองแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะพบกับตัวเองได้เพราะตัวเองไม่เห็นตัวเองจะพบกับตัวเองได้ครับตัวเองเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เมื่อไม่รู้เราจะไปที่ไหนได้คนไม่มีปัญญาสมมติเอานะเราจะเดินไปก็ไม่ถูกถนนคนทาง กระลงภูลงของลมลุกคุกคานเจ็บปวดไปคนมีปัญญาเขาจะไม่ไปที่มันเจ็บปวดเขาจะไม่ไปเขาจะค่อยหลบไปแก้ไขไปเปลีย่ยงดังนั้นพวกเราเป็นคนไทยถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นมนุษย์จริงๆถือศาสนาพุทธจริงๆต้องเข้าใจคําหมายถ้าไม่เข้าใจคําหมายจะไปติดสักแสงบาลมบาลีมันก็ไม่ใช่เป็นาษา เราเป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทยคนไทยก็โกรธเป็นเหมือนกันคนฝรั่งก็โกรธเป็นเหมือนกันคนจีนก็โกรธเป็นเหมือนกันจุดไม่เป็นของไข่ทำสอนของพระเจ้าไม่เหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นๆนั้นอาศัยภาพเป็นเจ้ามารับรองเอาดวงจิตวิญญาณจะไปอยู่กับภาพเป็นเจ้าภาพพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้มีเหตุผลทําเหตุดีผลออกมาก็ดี ทำเหตุเร็วทามผลออกมาไปได้รับผลเร็วทามแทนว่าอย่างนั้นดังนั้นควมโกดคมโลกคมหลงเป็นโลกิยธรรมโกรธบ้างแม่โกรธบ้างมีทุกบ้างสุขบ้างเป็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมกับสวรรค์สวรรค์กับโลกิยธรรมเป็นคำเดียวกัน น, ะนกรกอเวจีเป็นคำเดียวกันนรกอเวจีถ้าไปตกนรกเลยว่าขุมน้อย ไปตกอาวีจีเราขมใหญ่นานได้เกิดมาเราเครียดบางทีนะตั้งวันก็มีบางคนแทบเดียวหายก็เป็นขวานนั่นนรกถ้าเครียดยึดถือเข้าไปเขาเป็นอาวีจีเขาวะพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นูแต่ละพระ อ, องค์ใจเห็นแสงลิกของพระเจ้าจะแทบเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคขมโกรธมันหนักใหญ่บัดนี้เมื่อเรามาคิดเออมันกดแทบเดียวก็เราก็ไปตกนรกขมน้อยถ้าเราไปอยู่นาน คนอื่นมาพูดให้เราเรายังไม่รู้สึกตัวเราก็เป็นตัววีจีแล้วเนี่ยพอเดีหายเราหลับขึ้นมาสวรรค์แต่เรายังไม่รู้ว่าเราไปสวรรค์ไม่เป็นไรสวรรค์กับนรกนั้นเป็นสายเดียวกันโลกิยธรรมกับนรกกับสวรรค์เป็นสายเดียวกันบัดนี้โลกิยธรรมคําเดียวนะโลกียธรรมเนี่ยกับโล ก, กุตตรธรรมไปสายเดียวกันเจ้าเป็นคนแล้วเดินออกมาจากนั้นแล้วมาอยู่ในโลกียธรรมเราจะ